4.3 การบรรลุธรรมวงเล็บเปิด6เมษายน2551ในวงเล็บหนึ่งจุดจุดนาที6วงเล็บปิดภาวนาไปช่วงหนึ่งเราจะเห็นโลกนี้น่าเบื่อสุขก็น่าเบื่อเพราะมันชั่วคราวทุ ก, ก็น่าเบื่อเพราะมันชั่วคราวนะไม่เกลียดมันหรอกแต่เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเสมอภาคกันไปหมดเลยน่าเบื่อคนไหนภาวนามาถึงตรงนี้เขาเรียกว่าเดินมาได้ครึ่งทางของถนนชื่อว่าโสดาปฏิมัก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 รูปาวจาระอรูปาวจาระมันก็มีแต่ขันทั้งนั้นเนี่ยก็รู้สึกเอื่มระอานะแล้วก็เอื่มระอาไปถึงจุดหนึ่งใจก็เป็นกลางรู้ว่าหนีไม่ได้หนีไม่ได้ก็ไม่ต้องไปหนีมันต้องยอมรับสภาพใจมันยอมรับใจมันจะหมดแรงดิ้นถ้ามันยังรู้สึกมีทางหนีเนี่ยใจมันยังมีแรงดิ้นอยู่เช่นถ้าเรารู้สึกว่าร่างกายนี้ยังสุกบ้างทุกบ้างได้นะเราก็ยังดิ้นรนที่จะให้มันสุก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 ด้วยมีปัญญาเห็นว่าความปรุงแต่งทั้งปวงนั้นเป็นไตรลักษณ์นี้ไม่รอดแล้วตรงจุดนี้เป็นประตูของการบรรลุมรรคผลนิพพานเมื่อเรารู้ทุกแจ่มแจ้งคือเห็นความจริงของกายของใจอย่างแจ่มแจ้งแล้วจนกระทั่งละสมุทรไทยหมดแรงดิ้นแล้วนิโรอดหรือนิพพานจะปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตานในขณะนั้นเลยในขณะเดียวกันนั้นเลยเป็นความอัศจรรย์แล้วในขณะที่นิพพานปรากฏขึ้นนั้นอริยมรรคก็ปรากฏขึ้นในขณะนั้นด้วย ฉะนั้นทุกขสมุทยัยนิโรธมร์เนี่ยรู้ทุกแจ่มแจ้งละสมุทยัยแจ้งนิโรธเจริญมร์เกิดขึ้นในขณะจิตเดียวนั่นเองกําลังของกุศลถึงแก่กล้ามันเป็นการรวมพลังของกุศลทั้งหลายเข้าตกลมบอลกับสังโยชน์ในใจเรามันจะแหวกสิ่งที่ห่อหุ้มจิตใจเราให้ขาดกระเจิงออกไปขาดวับออกไปนะขาดอย่างเนียนมากเลยขาดไม่เหมือนฉีดกระดาษแคว๊กขาดออกอย่างเนียนทันทีที่ขาดออกไปเนี่ย จิตแท้ๆซึ่งหลุดพ้นออกมาจากอาสวะปรากฏขึ้นมาปรากฏแบบไร้ร่องรอยให้รู้เป็นความว่างที่แท้จริงถ้าจากนั้นแสงสว่างจะปรากฏขึ้นฉะนั้นในพระสูตรเวลาพูดถึงการบรรลุธรรมะอย่างโสดาปติมัคโสดาปติผลอะไรเนี่ยท่านบอกเครื่องหมายคำพูดเปิดจากขงอุทปาธิจุดจุดดวงตาเกิดขึ้นคอมม่ายานังอุทปาธิจุดๆุดยานคือความอย่างรู้เกิดขึ้นคอมม่า ปัญญาอุทปาธิจุดๆุดปัญญาเกิดขึ้นวิชาอุทปาธิจุดจุดวิชาเกิดขึ้นอโลโกอุทปาธิจุดจุดแสงสว่างเกิดขึ้นปิดเครื่องหมายคำพูดถัดจากที่แสงสว่างเกิดขึ้นเนี่ยจิตซึ่งเป็นอิสระแล้วเขาจะแสดงความมีอยู่ของเขาโดยการแสดงความเบิกบานออกมาอันนี้สำหรับบางคนนะบางคนเห็นสองขณะว่างแล้วก็สว่างขึ้นมาบางคนเห็นสามขณะ แสดงความเบิกบานขึ้นมาได้ด้วยถัดจากนั้นจิตจะถอยออกมาสู่โลกภายนอกแล้วมันจะทวนกระแสกลับเข้าไปพิจารณาตรงขณะที่สองหรือขณะที่สามที่ผ่านไปแล้วเนี่ยอสะวะกิเลตจะเข้ามาปกปิดจิตอย่างเดิมอีกสําหรับผู้ที่ผ่านมรรครั้งที่หนึ่งที่สองที่ 3, าสาอสวกที่แหวกออกไปเนี่ยจะกลับเข้ามาห่อหุ้มปกคลุมจิตอย่างฉับพลันเลยเวลาที่เข้ามาปิดก็ปิดเนียนเนีย น, นนะไม่ได้ปิดกระแทกโครมเข้ามาเหมือนคลื่น ที่เรือแหวกคลื่นแล้วกระแทกกลับเปรี้ยงไม่ใช่มันเนียนๆ น, น, นะจนครั้งที่สี่นั่นแหละจิตก็หลุดออกจากอาสวะเพราะความไม่ยึดถือในขันห้าอีกแล้วโดยเฉพาะไม่ยึดถือในจิตอีกแล้วฉะนั้นจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งว่าเป็นตัวทุก์จิตก็หมดความยึดถือจิตจิตก็หลุดพ้นจากอาสวะเลยเพราะไม่ถือมั่นในจิตแล้วฉะนั้นเวลาบรรลุพระอารหันเนี่ยพระสูตรจะใช้คําว่าเครื่องหมายคําพูดเปิด จิตหลุดพ้นจากอาสะวะเพราะความไม่ถือมั่นปิดเครื่องหมายคำพูดไม่ใช่จิตไปทำลายอาสะวะนะจิตหลุดพ้นจากอาสะวะเหมือนลูกไก่เจาะเปลือกออกมาตัวลูกไก่หลุดออกมาจากเปลือกไม่มีอะไรห่อหุ้มถ้าเราค่อยๆเรียนนะสิ่งที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังเนี่ยเล่าเพื่อชี้แนวทางให้ดูเพื่อวันหนึ่งเรามีกาลังใจเราจะเห็นได้ด้วยตัวของเราเอง